เรานี้ได้ทําที่พึ่งให้แก่ตนเสร็จแล้วพระองค์ทาที่พึ่งคือศีลให้พระองค์เสร็จแล้วทำที่พึ่งคือสมาธิทำที่พึ่งคือปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะถึงฝั่งแห่งอ ม, มะตะถึงฝั่งแห่งชาติชราและมรณะเสร็จแล้วพระองค์มีที่พึ่งแล้วพระองค์เข้าถึงโพธิปัขจะธรรมที่พึ่งได้จริงนําออกจากทุกอย่างแท้จริงเสร็จแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท อย่าประมาทนะแล้วไม่ประมาทคืออะไรก็คือมีสตินั่นเองมีศีลด้วยดีเธอเป็นผู้มีความดาริตั้งมั่นด้วยดีจงตามรักษาจิตของตนเธอนั้นคําว่าเธออย่าประมาทก็คืออย่าประมาทเจริญโพธิปัจจะธรรมทั้งหลายที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทธสนาเจริญสติปทานสมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พร ะ, ะโพชงให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เธอะ จงเป็นผู้มีความนำริคือเจริญกุศลสังคปะให้ตั้งมั่นด้วยดีรักษาจิตของตนนั่นะคำว่ารักษาจิตเนี่ยเป็นยังไงรักษาจิตรักษาจิตที่เป็นอกุศลไม่ให้อ่ที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดระวังเอาไว้อกุศลเหล่าใดาที่เกิดขึ้นแล้วก็ภาคเพียรที่จะกําจัดเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ก, ลลกุศละกุศลธรรมเหล่าใดาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทาให เจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์พอกพืนจนบริบูรณ์จนถึงเรียกว่าอารหัตผละจิตเกิดนั่นแหละจึงจะเพียงพอเรียกว่าจนจิตตั้งมั่นในโลกธรรมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดไม่เศร้าโศกเป็นจิตที่ปราศจากทุลีคือกิเลสเป็นจิตที่เกษมและปลอดภัยเนี่ยนะเป็นจิตที่เข้าถึงธรรมอันสูงสุดรักษาจิตของตนให้เป็นเช่นนั้นอยู่เถิด เพราะผู้ใดจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นท้าหันตรัสไว้แล้วนี้ผู้นั้นจะละชาติสงสารผู้นั้นจกละการเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรชานเป็นต้นจะนะละชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วทมที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้ในที่สุดก็ ก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นพูดแบบภาษาเนี่ยก็คือเป็นพินัยกรรมที่สําคัญที่ร่างเอาไว้ก่อนปรินิพานสามเดือนเนี่ยนะอันนี้เป็นเหมือนกับว่ามรดกนะเป็นมรดกที่สําคัญที่ว่าถ้าเธอเรียกว่าปฏิบศึกษาคําสอนมามากมายเนี่ยนะยังจําอะไรไม่ได้เลยกําหนดอะไรไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ทรงจําตรงนี้เอาไว้ให้ดีว่าทำเหล่าใดที่เราแสดงแล้วเพื่อความรู้ยิ่ง ทำเหล่านั้นพวกเธอพึงเรียนพึงทําให้เกิดบ่อยๆเจริญให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปทําให้มากโดยประการที่พรหมจรรย์ น, นี้จะพึงยั่งยืนพึงดํารงอยู่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ก็คือโพธิปักยะรรมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสติปัญฐานสัมมาปาัญญาอิทิบาทอินทร์สีพร ะ, ระโพชฌงและองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยนะ อันนี้แหละเป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกที่พระองค์เลือกเฟ้นเลือกสรรคัดไว้อย่างเต็มที่จริงๆแล้วการศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเนี่ยนะจะเป็นปิฎกสามเนีย่ยนะหรือนิกาย5้าคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คคำที่พระองค์สอนทั้งหมดเพื่อให้สติปัฏฐาน4ีนั้นเจริญยิ่งยงขึ้นนั่นแหละ ที่พระองค์สอนทั้งหมดเพื่อให้สัมมประธานสี่นั้นเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นเพื่อให้อิทธิบาทให้อินทรีย์ให้พระราห้โพ่อชองให้อริยมรรคทั้งหลายเจริญขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยสอนตลอดระยะเวลาสีิบหปีก็ให้โพธิปักจยธรรมเหล่านี้เจริญขึ้นมันสาระของคําสอนทั้งมวลมีอยู่เท่านี้เท่านี้แหละที่เป็นคุณธรรมนําออกจากทุกแต่หมอพอลงรายละเอียดเข้าไปแล้วสติปัญญานก็ กายานุปัสสนากิบบพะ14บบพะเวทนานุปัสสนาเวทนา9จิต16ธรรมะอีก5หมวดแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยแสดงให้มากเพื่อสติจะได้เกิดมากเนี่ยนะเรียกว่าการกระจายฐานความรู้ทั้งหมดเพื่อให้ความรู้เจริญบริบูรณ์การขยายฐานสติเพื่อให้สติเกิดได้บ่อยแล้วก็เกิดได้มากมากปริมาณของสติจะได้เยอะที่สุดเท่าที่จะ เยอะได้นั่นเองเนี่ยนะพันการแสดงมากไม่ใช่ว่าโอ้โพวกเราทั้งหลายในสมัยใหม่ศึกษาพลาดก็คือว่าศึกษาทํายังไงจะจําได้ให้หมดเรียนยังไงจะเรียนคําสอนให้หมดอันนั้นเป็นการเรียนที่เรียกว่าไม่มีจบไม่มีหมดแต่เราเรียนอย่างไรสติประฐานจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียนอย่างไรสัมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์ะละโพชงและองค์มรรจเรญยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่ให้อ่าฟังทำอ่าฟังธรรมะฟังคำสอน เพื่อให้คุณธรรมเหล่าเนี้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละเรียกว่าจักสาระของคําสอนถูกต้องแล้วนั่นคือสิ่งที่พระองค์ประสงค์พระองค์ประสงค์ให้เราได้รับคุณธรรมได้รับมรดกธรรมที่พระองค์ประทานให้พระองค์ไม่ได้ต้องการให้ไปเที่ยวแค่จําคําพูดของพระองค์แต่ขณะเดียวกันถ้าไม่ฟังคําของพระองค์แล้วเราจะเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรการฟังให้มากเรียนให้มากอะไรให้มากเป็นต้นก็เพื่อให้ โพธิที่ปักคยธรรมเหล่านี้เจริญบริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ในข้อหนึ่งร้อยเก้าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทณนะกรุงไพยสาลีสเสด็จเที่ยวบินทบาทในกรุงไพราลีภายหลังพัดเสด็จกลับจากบินทบาท เสร็จแล้วก็ทอดพระเนตรกรุงเวสาลีเป็นนาคาวะโลกนะนาคาวะโลกว่า น, นาคาวะโลกเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านท่านนนวะาอานน์การเห็นกรุงเวสาลีของตถาคตครั้งนี้จะเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายแปลว่าจักคูวิญญาณที่ไหลเห็นขณะนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายมาเถิดอานน์เราจะไปยังบ้านพันดะพันดะคามเถิด ก็ชักชวนพระนรไปบ้านันาคามคําว่านาคาวโลกิตังเนี่ยนะที่เรียกว่าดูอะไรนะเหมือนอย่างว่ากระดูกของมหาชนเนี่ยเอาปลายจดปลายตั้งอยู่เนื้ออภิแม้กระทั่งของพระประเจกพระพุทธเจ้าก็เกี่ยวเนื่องกันแต่ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้น เพราะอาัฐิของพระพุทธเจ้าติดเป็นอันเดียวกันเหมือนแท่งทองกครรมเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลียวจึงไม่สามารถจะเอี้ยวพระศอได้เปรียบเหมือนพรยาช้างประสงค์จะดูข้างหลังช้างเนี่ยฮะปกติเนี่ยตามันเล็กใช่ไหมข้างหัวมันน้อยแต่ข้างตัวนี้มันใหญ่ถ้ามันจะหะดูข้างหลังทําไงก็ต้องถอยเปลี่ยนแค่ว่ากลับลำนั่งลำเลยนะก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเป็นไฟรถจะให้สว่างข้างหลังอ่ะสว่างเท่าข้างหน้าทํำให้มันสว่างข้างหลังทําไงก็กลับรถซะ ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ต้องเอี้ยวพระวรากายไปฉันนั้นแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระนครก็เกิดความคิดว่าจาักทัศนามองดูกรุงเวสาลีแผ่นมหาปฏภธธีเหมือนจะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาหลายแสนโกรธกับไม่ได้ทรงกระทําคือเอี้ยวพระศอแลดูเปรียบเหมือนล้อดินเพยียนก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเป้นเนี่ยนะก็ ยืนในที่กลมๆไหมก็หันกลับให้ดินเนี่ยหันกลับให้พระองค์ก็บ่ายพระพักมองดูกรุงเวสาลีถามว่าการทอดทัศนากรุงเวสาลีมิใช่เป็นปัจฉิมทัศนะอย่างเดียวแม้กระทั่งดูกรุงสาวัตถีกรุงราชเครือเมืองนาลันทาบ้านปาตลิคามโกติคามนาที่กะคามเวลาที่ออกจากที่นั้นเนี่ยนะออกจากเมืองทุกเมืองบ้านทุกบ้านมันเป็นการดูครั้งสุดท้ายทั้งหมดไม่ใช่หรือ ทำไมเมืองภัยสาลีจึงเป็นการทัศนาแบบที่เรียกว่านาคาวลุลเรียกว่าเป็นการดูแบบปัจฉิมทัศนะดูครั้งสุดท้ายบอกว่าที่อื่นๆเนี่ยนะไม่เป็น ไ, ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรการดูเมืองไพยสาลีรัชเครือนาลันทาปาริคามโกติคามนาติกค า, ามเนี่ยนะไอการดูที่นั้นเนี่ยไม่น่าอัศจรรย์ก็เลยไม่เรียกว่าเอี้ยวะวรกายดู แต่ส่วนเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีเนี่ยนะบัดนี้ใกล้ความพินาธเข้าไปแล้วพรรษาสุดท้ายที่พระองค์ไปจำอยู่ที่กรุงภัยสาลีก็เหมือนกับว่าอย่าศึกชั่วคราวเรียกว่าระงับศึกชั่วคราวในที่สุดภายหลังปรินิพานสามปีหลังจากที่พระองค์ปรินิพานสามปีเจ้าลิชวีจะสร้างเจดีย์ชื่อว่านาคาปโลกิตะเจดีย์ใกล้ประตูพระนคร จักบูชาเจดีย์ด้วยสาการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นอันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานจึงเอี่ยวพระวรากายเพื่ออนุเคราะห์แก่เจ้าลิชฉวีเหล่านั้นเพราะว่าไม่นานเมืองนั้นจะพินาศย่อยยับเพราะกองทัพพระเจ้าอาชาตศัตรูยกไปฆ่าสัเกือบตายหมดเลยเนี่ยนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าตายทั้งหมดสัทีเดียวแต่ก็ยังพอเหลือเพราะตอนหลังๆก็ยังมีบ้านเมืองอีกนะบ้านนั้นเมืองนั้นก็ยังแผ่ขยายตลอดมาชั่ว ร้อยกับปีสังขยาณาครั้งที่สองก็ทําที่เมืองไผ่าลีนั่นเองนี่ต่อไปอีกเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัส ด, ดูอเออเหลียวดูเมืองไผ่าลีแล้วก็ตรัสกลับท่านพ่านนครั้งนั้นพระองค์พร้อมด้วยพระพิสุสองมูใหญ่สเสด็จไปถึงบ้านพันดาคามแล้ว ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณบ้านพันดักามนั้นณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ก, กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการธรรมะสี่ประการนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะไม่รู้แจ้งไม่เข้าถึงไม่แทงตลอดทำสี่ประการนี่แหละเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่นอนนะเที่ยวไป เร่ร่อนแนละ้วก็ท่องเที่ยวไปแบบเคยเห็นคนเร่ร่อนไหมนั่นแนหะท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานอย่างนี้ทํสี่ประการนั้นเป็นไงนะเพราะเราทั้งหลายไม่รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะหรืออริยศีลเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่เป็นอริยะเนี่ยนะเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เพราะไม่รู้ศีลที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะอริยศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะไม่แทงตลอดคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาลนานเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดสมาธิอันเป็นอรยิยคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะไม่แทงคุณธรรมอันนี้แหละ เราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกลาลนานเพราะไม่รู้แจ Hal ้งแทงตลอดตัญญาอันเป็นอริยคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยมรรคเนี่ยนะจนถึงระดับอรหัตตมรรคเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกลาลนานเพราะอ น, นะเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดวิมุตต์อันเป็นอริยะก็คืออรหัตผลวิมุตต์เนี่ยนะ เพราะไม่รู้แจ้งอรหัตผลวิมุตินี่แหละเราและพวกเธอจึงต้องเร่ร่อนเที่ยวไปสิ้นกาละนานดูก่อนพี่สูตทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดศีลอันเป็นอริยะสมาธิอันเป็นอริยะปัญญาอันเป็นอริยะวิมุต tn อันเป็นอริยแล้วภา ว, วะตันหาตันหาที่นำเกิดในภพใหม่เราก็ถอนเสียแลว้วตันหาอันจะนำไปสู่ภพตันหานั้นก็สิน้นแล้ว บัตรนี้พบใหม่ไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นอันน้นเปรียบเหมือนะมเมล็ดพันธุ์ที่ปกติเพาะขึ้นแต่คั้วสุกหมดแล้วคั่วซะจนหมดสภาพแล้วเพราะปลูกต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะเมื่อพระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคศสัสดาได้ตรัสวยากรณะพาสนี้แล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าธรรมะเหล่านี้คือศีล สมาธิปัญญาวิมุตยอันยอดเยี่ยมคือระดับอริยะเนี่ยนะโลกุตระเนี่ยอันพระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงบอกธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตแก่ภิกษุทั้งหลายการแสดงศีลสมาธิปัญญาวิมุตตก็เพื่อความรู้ยิ่งนะก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตตเนี่ยเมื่อขยายออกไปแล้วก็คือโพธิปัจจยธรรมนะ ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์อันนี้ขยายออกมาแล้วก็เป็นส ม, มสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทอินทรีพละโพชฌงและองค์มัคพระองค์แสดงทั้งหมดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพราะศาสดาผู้ทําซึ่งที่สุดแห่งวัตถุทุกคือพระองค์เจริญคุณธรรมเหล่านี้เสร็จแล้วอ่ะพระองค์เลยทําที่สุดแห่งทุกขได้พระผู้มีจักษุ ป, ปรินิพานคือดับกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้วเพราะความที่พระองค์แทงตลอด อริยสีนอริยสมาธิอริย ป, ปัญญาอริยวิมุตต์อันยอดเยี่ยมนี่แหละพระองค์ก็เลยดับราคะโทสะโมหะได้แล้วเนี่ยนะเรียกว่าสอุ ป, ปาที่เสสานิพพานน่ราดับกิเลสได้เสร็จสิ้นแล้ว